แสดงธรรมสู่กันฟังขอใช่ทีนี้ให้เป็นการแสดงธรรมพูดควาจกิงงตอกันอย่าได้ทำมาลื่นเลยหลัวตาไปงานต่างๆสี่วันห้าวันไม่มีโอกาสแสดงธรรมเลย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 สำนักสของท่านเจ้าคุณเมืองเลยง <c oughs> านใหญ่โตเฉพาะของถวายพระน่แต่นอก็ไม่ต่ำกว่าสองล้านบาทพระแต่โลูกก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นกว่าสองหมื่นบาท จิตการงานดันดื่นมากมายพระไปร่วงมงานก็ไม่ต่ำต่อสามสี่รอยูปผู้คนไปก็ไม่ต่ำกว่าพันสองพันคนช่วงเท่กันใหญ่โตแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสแสดงธรรมและไม่มีใครแสดงธรรมไม่แต่พิธีศาสนาพิธีกัน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 ความถูกต้องของทั้ ง, งหมดที่นี่เขาเจริญสติกันแลาวเจริญสติกันมีสตินี่มันไม่ให้ค่าอะไถ้าเป็นสติจริงๆไม่ให้ค่าเลยเลยควาหลงก็ไม่มีค่าความรูก้ก็ไม่มีค่าแล้วก็รู้ซื่ อ, อหลงซื่ อ, อ, อธรรมดา ความทุกข์ก็มามีค่าความสุขก็ไม่มีค่าควากกาันสุเขเฉยๆมันทุกข์เฉยๆมันมาใช่เรื่องของเราที่ไปเกี่ยวข้องกันเป็นความสุขความทุกข์แต่ความสุขความทุกข์นั้นเราบรรูุเฉยๆจิติจะเป็นเช่นนั้นเป็นตัวเฉลยคือเข้าถึงภาวะความรู้ซื่อๆ อ, อย่างนี้่ะ แล้วก็มาศึกษาพระวะอย่างนี้ลองดูในโลกนี้มันมีรสชาติมันมีค่ามากบาดีก็เงินก็มีค่าถ้ามีเงินก็มีค่าเป็นความสุขถ้ไม่มีเงินก็เป็นค่าเป็นความทุกข์ก็ให้ค่ากันไปแล้วก็เป็นสมมุติปัญญัติไม่ใช่ปรัมมัชสัจจะความทุกข์ความสุขต้องปวงที่เรา หากัที่เรากลัวกันมันก็ไม่จริงสักทีความทุกข์ก็ทุกแล้วทุกเหตุความสุกขก็สุขแล้วสุขอีกอยิ่ความสุขกลัวความทุกข์ก็หนีไปพ้ น, พนเรยจึงมาลู่ซื่อๆซะมาก็แสดงให้เราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตานี้ในภาวะเชน่นนี้เราไม่ต้องไปถามคู่ได เราถูกหลอกหลายข้างหลายข่าวให้เป็นสุขเราถูกหลอกหลายข้างหลายข่าวให้เป็นทุกข์ทั้งๆนี้มันเป็นฉะนั้นเราไม่เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆโดยเงมาะรู้ซื่อๆเนี่ยเข้าไปให้มันลบศูนย์ซะที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เหลือศูนย์ไม่มีค่า สำหรับเราเลยในโลกนี้แต่ก็ใช่สมมุติบัญญัติต้องพูดว่าสุกวะทุกเป็นสมมติบัญญัติมาพูดกันถ้าพระพุทธเจ้าพูดว่ามีแตทุกข์เท่า น, นั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่า น, น, นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่า น, น, นั้นดับไปเพราะอะไรเพราะไม่เห็นซื่อๆเนี่ยก็ไม่จริงไปอย่างนั้นไม่ใช่เราไปเอาความสุขไม่ใช่ไปเอาความสุข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 ว่าเราชํานาญตรงนี้แล้วนะแล้วก็เหนือเกิดเจ็บเจ็บตายได้ถ้าไม่ชํานาญตรงนี้ไม่หลีกทางตรงนี้แล้วมัน้าไปชนกับความเจกความเจ็บความตายเป็นพบเป็นชาตินับไม่ถ้วนเกิดดับเกิดดับกับภาวะต่างๆที่มันมีอยู่ภาวะก็มีอาการของกายมันก็มีอาการของใจมันก็มี เราให้ค่ามันบางทีไปาาอาการว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นไหมมันหลงเห็นไหมมันรู้เห็นไหมเหมือนผิดเห็นไหมมันถูกเห็นไหมเวลามันหลงไปยังไงเวลามันลู้เป็นยังไงเวลามันผิดไปยังไงเวลามันถูกไปยังไงเวลามันสุขมันทุกข์ไปยังไงก็มีหลักอยู่แล้วได้ยินมานานแล้วกายก็สจะว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขา เขบอกอยู่พุเจ้าบอกว่านานนาเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ศึกว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิต ท, ที่มันเป็นใหญ่เป็นโตสําเร็จแล้วที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหนา้ามันก็ไปคือว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าตรงที่มันสําเร็จที่เป็นสมมุติบัญญใหญมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ถ้าเป็นปรมาจารย์มันไม่เป็นไรมันเป็นชื่อของเขาก็ทั้งธรรมที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความสงบความฟุ้งซ่านเป็นกุศลเป็นความฉลาดเป็นอุศน์ความงู้มันก็เป็นธรรมธรรมดาเฉยๆมันไม่ใช่เป็นจริงจังอะไรแล้วก็เห็นซะให้มันหลุดออกไปซะ เมื่อหลุดตรงนี้เช่โซ่ตรงนี้ไขก้นแจ่ตรงนี้มันก็ไปได้ไปสู่ความไม่เกิดไม่เจบไม่เหยียบไม่ตายได้ล้วจึงอาศัยสถานทีน่นี้มาพูดตรงนี้มาทำมาศึกษาดูาะอื่นท่านทั้งหลายรู้มากแล้วจะเป็นอาชีพการงานหน้าที่รอบพอทัวคือปากกาปากเดียวไปหางานทำก็ได้ หรือไม่ต้องถืออะไรเหมือนลงตาไปอยู่สหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้หอบพี่โบเลยไปบ้านเขาก็ไม่มีเขาไม่เอาบางทีพ่อแม่มอบบ้านให้สมบัติไทยเขาให้เขาให้เขาเขอไปเอาคนไทยที่เป็นหมอไปอยู่ที่นั่นวัดตั้น เอาทรัพย์สมบัติมากมายไว้ให้ลูกลูกมนเรีย น, ล, นลูกมาลูยความลูกไม่แม่เอาห่เลยเลยซื้อครื่องหใหญ่ๆหลายหลังให้ฝันหลังมาเช่าพอเจ็บเงินเจ็บทองก็้งานได้ทองอลูกมันมีความลูกแล้วไม่เอาอะไรมันว่ามันขี้เกียจเสียภาษีเขาเดินไปตัวเป่า สามา่ถอยู่โลก ไ, ไหนก็ได้เขามีความรู้เขาคน เ, เลยไม่กลัวไม่ต้องมีบ้านอะไรไม่ต้องมีอะไรมีความรู้อ่ามันถึงขนาดต้นแล้วนะคนอนะมีมากมีมีแล้วคนที่พอพอตัวได้ลักษณะแบบนี้ไม่ลำบากเพราะอะไรเพราะมีการศึกษาหลักสูตรสําเร็จสูงสุดในโลกนี้ บางคนมีปากกาปากเดียวบางคนมีกางไกอันเดียวหาจินตลอดชีวิตตัดเสื้อผ้าไม่ต้องมีอะไรทุกวันนี้มันพัฒนาไปแบบนั้นแต่ว่ายังมีทุกไหมมีสุขไหมเขาคอยคว้าหาความสุขเขาหนีความทุกข์ เราที่เขามองว่าเป็นทุกข์เขาก็หนีเขาหนีไปเรื่อยๆไปเจอกับความแ ก, ก่ความเจ็บความตายจะหนีไปยังไงนะมะนมันก็จนตรงนั้นเองมันปิดประตูตรงนั้นออกไปได้แม้เขามีความรู้มากมายเขาออกตรนั้นไม่ได้เป็นสัจธรรมที่ตรงนั้นเขาไม่รู้แต่เรารู้วันนี้ใช่ไหมรู้ซื่อๆรู้ซื่อ วันหลงก็หลงซื่อซื่อวันรู้ก็รูซื่อซื่อวันทุกข์ก็ทุกซืซื่อมันสุข ก, ก็สุขซื่อซื่อเขาบอกซื่อซื่อหรือว่าไม่คงแวะเมื่อมันสุขมันก็ไปซื่อแล้วถ้ามันทุกข์ ก, ก็ไปซื่อแล้วมันคงแวะไปเกาะอยู่กับความสุขคงแวะไปเกาะอยู่กับความทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้นคื่อเรามาเห็นมาดูจริงๆดูสิ มาดูจริงๆให้มันเห็นกับต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยแล้วมันก็มาอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เราเพราะมีสติมันก็เห็นทันทีแหละมันฉายออกมาให้เราเห็นมันหลงมันรู้มันผิดมันถูกเอ้าเราก็รู้ซื่อๆไปก็แจะตั้งให้ถูกให้เกิดความถูกต้องอยู่โดยชอบการอยู่โดยชอบคือรู้ซื่อ พิสูจทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันเลยถ้าอยู่ไม่ชอบแม้จะอยู่กับพุทธเจ้าก็ไม่มีอรหรันเกิดขึ้นนะคืออยู่โดยชอบคือรู้ซื่อๆไปตู้ซื่อๆไ อ, อ, ไอง่ายไหโอ้ยง่ายอง่ายกป็นไงพวกคขาว่าซื่อๆมันง่ายดีแต่ว่ามันไม่ซื่อ เวามันทุ ก, ก็์ก็แสดงออกเวลามันสุกก็แสดงออกลองให้มันเหนือสักหน่อยดูเลยมามีสติซื่อๆยกมือลู่ซื่อๆไปจียาจี้ลูซื่อๆมีคั้นมีตอนมอีการประกอบมันขึ้นมาทํามันขึ้นมาได้ไม่อด ไม่อยากมีตลอดไปในความทุกข์มันก็มีความซื่อๆในความสุขมันก็มีความซื่อๆไหนอะไรต่างๆมีความซื่อๆอยู่ตรงนั้นตรงไหนมีอะไรมีซื่อๆ อ, อยู่ตรงนั้นทั้งหมดในโลกเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ทุกทางภาวะซื่อๆตัวเนี่ยเจ้าอย่างไรพวกเราทำไมไม่ ให้เกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมากับตัวเองมันจะไม่เร่นช้าไม่เดินช้ามันไม่มีอะไรที่ถามไม่มีอะไรที่จะหาไม่มีอะไรที่ตอบความพูดก็ไม่มีมันก็รู้ซื่อแล้วภาวะ ซ, ซื่อแล้วเพราะนั่นจะมาฟังเรื่องนี้กันมาทำเรื่องนี้กัน อย่าให้ที่นี่ไปทำมันอื่นมันเสียเวลา้ลงตาไปสี่วันไม่ได้อยู่นี่ไม่ได้เข้าถึงความภาวะซื่อๆเลยทุกคนก็เอ๋มหมุนจิ้วไปทำความเขยดเพื่อจะเอาเรื่องพฤติธรรมรงนี้บางคนต้องวิ่งเอาทำงานทำการตอนรับผู้คนทั้งหลาย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 ลองทานบริษัทนั่นลองทานธนาคารนี่ลองทานที่น้น่นที่ตั้งขึ้นมาวินเทบาทก็ใส่รถเขียนมาเป็นหลายพันตันวินเทบากัเทบาทแค่นี้ไปถึงสลาหน้าเนถ่ายบาทสี่ครั้งอาหารก่อนจินแล้วก็จินแค่ อ, อีก แล้วคนก็ไปทำสาธารจนอมากมายแล้วก็เลยเสียเวลาไปก็เราจะมาศึกษาแบบซื่อๆเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องคู่ดีคูจรอ่องอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่อยู่ที่ไหนก็ซื่อๆได้ไม่เลือกกันไม่เลือกเวลาพาะซื่อๆได้ ยากไปที่พูดอย่างนั้นเฮ้ยหลวงพ่อเขาหลวงตาก็พูดเล่นๆไปเฉยๆนี่แหละอู้ก็เล่นๆนั่นแหละของไม่มีค่าไปทาจริงกันมาก็เล่นเล่นไปหัวเลาะมันไกลมันก็ไม่มีอะไรเดีย๋ยวนี้มันมีค่ากายก็มีค่าเวทนาก็มีค่าจิตก็มีค่าให้ค่าอะไรทุกอย่าง จงงดมันหยัดขึ้นมาโก่ขึ้นมาให้ค่าเป็นอย่างนั้นก็าะมาช่วยกันแต่พวกเราวันนี้ก็มีพวกศิลปินคณะศิลปินมาที่นี่อีกทุ่มเด่นล้นตาก็จะไปคบกับคณะ น, นี้ประมาณสี่สิบคนที่สราหน้าก็ามาคิดช่วยกัน อันหลายหลยอย่างที่เราจะช่วยกันให้มันเข้าหาเพราะว่าซื่อๆมันจึงจะอยู่โลดโลกได้ป่าไม้ร้องไห้แม่น้ำร้มป่วยเป็นดินเป็นอัมาพาตอากาศเป็นพิษเพราะมันไม่ซื่อๆมันก็ก็ะจายไปทั่วเลยเดื อ, อดร้อนไปทั่วทั้นที่ป่าไม้ก็เป็นป่าไม้มันก็ร้องให้ซะไปป่าเผาคนทาลาย I. I. น้ำลงป่วยที่จะเป็นมน้ำซื่อๆไอ้น้ำก็ต้องใช้น้ำอาบเยนกินได้เติมได้บริสุทธิ์ช่วยมนุษย์ช่วยสัตว์นี้ก็ป่วยเฉล้วเน่าไปแล้วเพราะไม่มีคนใช้น้ำไม่ใช่ซื่อๆเพื่ออะไรเยอะๆมันก็เลยเป็นโทษจะมาช่วยกั ra. นให้มันเข้าสู่ภาวะซื่อๆชีวิตเราถ้ามีความซื่อแล้วมันไปใชื่ออะไรก็ถ evet. <ungs>: ははูกต้อง ไม่เป็นอื่น่ะเป็นป่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นอากาศไปในชีวิตเราก็เหมือนกันถ้ามัน ซ, ซื่อแล้วก็ไม่ยากอะไรลัดเนี้ยมือเดียวไ ง, ไง่ายเลยแต่นี่มันยากเกินไปนะเราก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่ปัจจัยห้ามันไม่ใช่ภาวะ อันภาวะซื่อๆเนี่ยมันก็เกิดปัจจัยสี่ปัจจัยห้าได้อย่างง่ายได้ถ้าไม่ซื่อๆมันเกิดได้ยากเพราะอุดีตเขาสูบมันไม่ซื่อๆเหล้าเขาดื่มเที่เทเลยวเต่เร่ร่อนพุ่มเพื่อพุ่มพวยมันก็เลยไม่ซื่อๆแต่ที่จะมาใช่เป็นปัจจัยสี่มันมาใช่ปัจจัยสี่มันเกินนั่นไปเอาสวยเอวงาม เอายี่ห้อไปซะไม่ชื่อซื้อเป็นเช่นนั้นในโลกนี้วันนี้ก็พูดรอยนิดหน่อยเนาะสมควรเจริเวลาพวกเราก็กลับพระ อ, อาจารย์ทรงศิลป์ อ, อาจารย์โุฒิพิริยอะไรก็พวกหมูพวกเม็ดไปผมจะไปสารณ้ากราบพระเพิอมกัน